กานพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สองพุษภาคมพุทธศักราช2559เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติญาโยม จึงไม่ต้องไปทำงานกันตามปกติถ้าไม่มีวันหยุดชดเชยวันนี้ก็ต้องไปทำงานทำการกันก็จะไม่มีเวลามาวัดเพื่อมาทำบุญจึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำไรบุญของญาติโยมได้มีเวลาทำบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน วันเวลาของเรามีค่อนข้างจำกัดเรามีภารกิจการงานมีเรื่องราวต่างๆที่เราต้องใช้เวลาอันมีค่านี้ไปทำเวลาที่เราจะเอามาทำบุญยังมีไม่ค่อยมากทาั้งๆที่บุญนี้เป็นสิ่งที่สาคัญกว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่ร่างกายของเราหมดสภาพไปแล้วสิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญหรือบาปเท่านั้นเองส่วนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง จะมีอยู่กี่ล้านก็ตามเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสมบัติต่างๆเข้าของต่างๆก็เอาไปไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถยนต์เป็นเพชรนินจินดาเครื่องประดับอะไรต่างๆเอาไปไม่ได้เอาไปได้เพียงแต่บุญกับบาปที่เราทำเท่านั้น ดังนั้นเราควรจะให้ความสําคัญต่อการสร้างบุญให้มากจะดีกว่าเพราะบุญนี้คือทรัพย์ที่แท้จริงของเราสมบัติที่แท้จริงของเราที่เราสามารถเอาไปใช้ในโลกทิศได้เหมือนกับเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศถ้าเรามีบัตรเครดิตเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ กับค่าใช้จ่ายต่างๆได้ใช้ค่าอาหารค่าที่พักค่าท่องเที่ยวค่าอะไรจิปาธะที่เราต้องการที่จะใช้ถ้าเรามีบัตรเครดิตใบเดียวเราก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่บัตรเครดิตของเราก็ต้องมีเงินสำรองไว้อยู่ถ้ารูดไปแล้วเกิดมันเด้งก็ใช้ไม่ได้เหมือนกัน เราจึงต้องเอาเงินฝากธนาคารไว้มากๆเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวเวลาไปรูดบัตรเขาบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเงินในบัญชีก็จะไม่สามารถรูดบัตรซื้อสิ่งต่างๆได้ก็จะต้องไปอยู่ข้างถนนไปอยู่ตามวัดวาอารามไปอยู่สถานที่สงเคราะห์คน คนตกทุกข์ได้ยากเพราะเราไม่ได้เก็บเงินไว้ในธนาคารพอที่จะเอามาใช้จ่ายได้มีอยู่นิดเดียวใช้เป็นวันสองวันก็หมดแล้วฉันใดบุญก็เป็นลักษณะนี้เวลาร่างกายเราตายไปนี้เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ แต่พอร่างกายตายเราก็ไม่สามารถสั่งร่างกายให้ทำอะไรได้เราก็ไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ต่อไปเราก็ต้องไปโลกทิพย์โลกทิพย์คือที่อยู่ของใจใจที่คิดที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้อยู่ในโลกทิพย์เวลามีร่างกายก็อาศัยร่างกายมาท่องเที่ยวในโลกที่เราอยู่กันนี้มาหาความสุข จากโลกนี้จากร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องมือให้เราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่พอร่างกายไม่มีแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องหาความสุขในโลกทิพย์ความสุขในโลกทิพย์นี้ก็ต้องอาศัยบุญเป็นค่าใช้จ่าย เป็นเงินทองไว้สําหรับซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อะไรต่างๆถ้าไม่มีบุญก็จะไม่สามารถที่จะซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้ก็จะอยู่แบบขอทานแบบที่คนที่ไม่มีเงินอยู่ในโลกนี้อยู่กันไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไม่มีเงินที่จะไปซื้อข้าวของต่างๆที่อยากจะซื้อก็ต้องไปนั่งขอทานริมถนน พวกดวงวิญญาณที่ไม่ได้ทำบุญไม่มีบุญติดตัวไปก็ต้องมาอยู่แถววัดนี่แหละตอนเช้าเวลาญาติโยมมาทำบุญแล้วก็อุทิศบุญให้เขาไปแต่บุญที่อุทิศนี่ก็เป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเราไม่สามารถที่จะให้เขาได้มากมากบุญที่เราทำร้อยหนึ่งนี่เราอุทิศได้เพียงบาทเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลย สำหรับคนที่ไม่มีเงินเงินบาทหนึ่งก็ดีกว่าไม่มีแล้วรอให้คนหลายๆคนอุทิศให้ร้อยคนก็จะได้ร้อยบาทแต่ก็สู้ที่เราทําบุญของเราไม่ได้เช่นวันนี้เราทําบุญเราทําได้ร้อยหนึ่งเราอุทิศไปบาทเดียวเราได้99บาทติดตัวเราไปแล้วเวลาเราไป เราก็จะได้ไม่ต้องมารออยู่แถวบริเวณวัดมารอรับส่วนบุญจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือเรื่องของตัวเราตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกายตัวเราคือดวงวิญญาณเวลาออกจากร่างกายไปเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจพอออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณก็ต้องไปตามกำลังของบุญและบาปถ้าทำบาปก็ต้องไปรับโทษเหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องไปติดคุกติดตารางคุกตารางของดวงวิญญาณที่ทำบาปก็คืออบายไปเกิดเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะว่าทำบาป บาปคืออะไรการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมางันนี้ถ้าทําแล้วก็จะต้องไปรับใช้โทษเหมือนคนที่ไปขโมยเข้าของของคนอื่นตํารวจก็ต้องมาตามจับตัวเอาไปลงโทษไปฆ่าผู้ตํารวจก็ต้องมาจับตัวไปลงโทษ อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายทางโลกกฎแห่งกรรมก็เหมือนกฎหมายทางโลกแต่ไม่ต้องมีตำรวจมาตามจับไม่ต้องมีผู้พิพากษามาพิพากษาว่าผิดหรือไม่ผิดทำบาปปั๊บมันมีผลทันทีผลอันแรกก็คือสร้างความร้อนใจขึ้นมาทันทีใจจะวุ่นวายใจจะไม่สงบใจจะไม่มีความสุขมีความรุ่มร้อนภายในจิตใจ แล้วพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปติดคุกติดตารางขึ้นอยู่กับว่าทําหนักทาําเบาทาหนักมากก็ไปนรกทําเบาหน่อยก็ไปเป็นเพร่ไปเป็นผีหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วแต่กาลังของบุญของบาปที่ได้ทาเอาไว้นี่คือสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันเราจึงต้องมาหาพระพุทธเจ้า มหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาหาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณแล้วได้รู้เรื่องราวของจิตวิญญาณรู้เรื่องราวของสิ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณ น, นี้ไปดีไปสู่สุกคติหรือไปสู่ทุกคติอยู่ที่กรรมคือการกระทันของเรา ทางกายทางวาจาและทางใจผู้ที่ทำกรรมที่แท้จริงคือใจผู้ที่รับคำสั่งก็คือร่างกายเช่นวันนี้ใจสั่งให้พาร่างกายมาทําบุญที่วัดผู้ที่รับผลบุญก็คือใจพอได้ทําบุญแล้วใจก็มีความสุขมีความเย็นสบายมีความเบิกบาน มีความอิ่มมีความพออันนี้ผู้ที่ทำคือใจและผู้ที่รับผลก็คือใจส่วนร่างกายนี้เป็นเพียงลูกน้องไม่ได้รับผลอะไรมากมายร่างกายไม่รู้สึกอะไรเวลาทำบุญร่างกายก็ไม่รู้สึกอะไรเวลาทำบากร่างกายก็ไม่รู้สึกอะไรเวลาไปติดคุกติดตารางร่างกายก็ไม่รู้ว่าไปติดคุกติดตาราง ผู้ที่รู้ว่าไปติดคุก ต, ติดตารางก็คือใจเวลาร่างกายถูกลงโทษร่างกายก็ไม่รู้ว่าเขาถูกลงโทษผู้ที่รู้ว่าถูกลงโทษก็คือใจดังนั้นผู้กระทําบุญหรือทำบาปก็คือใจผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็คือใจผ่านทางร่างกายถ้ามีร่างกายอยู่เช่นถ้าถูกลงโทษเขาก็จับร่างกายนี้ผังคุกขังตาราง หรือจะไปประหารชีวิตแต่ร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในคุกหรือถูกประหารชีวิตร่างกายเป็นเหมือนสิ่งของต่างๆนี่แหละเป็นเหมือนของที่วางไว้อยู่ในสารานี้เอาค้อนไปทุบไปตีเขาก็ไม่รู้เช่นเอาค้อนไปทุบพระพุทธรูปนี้พระพุทธรูปก็ไม่รู้ว่าถูกค้อนทุบตีเพราะเป็นดินเป็นของเป็นโลหะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความรู้สึก ร่างกายนี้ก็ไม่มีคารรู้สึกรับรู้ไม่มีดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ไม่ได้อยู่ติดในร่างกายดวงวิญญาณนี้อยู่ในโลกทิพย์แต่มาเชื่อมรับสัญญาณจากร่างกายส่งส่งตัวรับเชื่อมสัญญาณมารับผ่านทางร่างกายมารับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายดังนั้นผู้ที่ทำบุญทำบา และผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายแต่ใจดังนั้นถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปผลบุญผลบาป ก, ก็ยังมีอยู่กับใจดังนั้นขอให้พวกเราอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์ทำบาปทําบุญแล้วตายแล้วจบไม่ไม่มีอะไรตามมาต่อไปคิดว่า ตอร่างกายตายกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วทุกอย่างก็หมดไปไม่หมดใจนี้ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้แหละที่จะต้องไปต่อไปสูงไปต่ำไปดีไปไม่ดีก็อยู่ที่บุญและบาปที่ได้ทาเอาไว้แล้วพอไปใช้บุญใช้บาปเสร็จแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมา ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ทุกกับการดิ้นลนต่อสู้เพื่อการอยู่รอดเพื่อหาความสุขต่างๆทุกวันนี้ชีวิตเราต้องดิ้นลนกันอยู่ตลอดเวลาเตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องดิ้นลนหาอาหารรับประทานก่อนพอมีรับประทานแล้วก็ต้องไปหา เ, เงินหาทองเพื่อที่จะได้ เอาเงินทองนี้มาซื้ออาหารซื้อของที่จำเป็นและเอาเงินทองนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ความสุขที่เราได้จากการหาแบบนี้เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปความเบื่อหน่ายความอุดหิดลาคาญใจก็จะกลับมาใหม่ จิงต้องออกนอกบ้านอยู่เรื่อยๆที่บ้านนี้มีไว้เพียงแต่ที่หลับที่นอนเท่านั้นเองแต่เรื่องหาความสุขนี้ต้องออกไปหานอกบ้านกันเพราะว่าที่บ้านนี้ไม่มีอะไรให้หาความสุขถึงแม้จะมีก็เบื่อเห็นแล้วจำเจจำใจอยากจะไปเห็นของแปลกๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆยิงต้องออกไปนอกบ้านก็ต้องเสียเงินเสียทอง ซื้อรถยนต์หรือเสียค่าแท็กซี่เสียอะไรต่างๆแล้วไปเที่ยวก็ต้องเสียเอสารที่ท่องเที่ยวเขาก็เก็บค่าใช้ใจ่ายไปดูภาพยนตร์ก็มีค่าผ่านประตูไปทำอะไรก็ต้องใช้เงินพอต้องใช้เงินก็ต้องไปหาเงินหาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ความสุขก็หายไปหมดเหมือนเทน้ำลงไปในตุ่มที่มันรั่ว เทไปให้มันเต็มเดี๋ยวมันก็รั่วหายไปหมดเพราะตุ่มมันรั่วฉันใดความสุขที่เราได้จากทางร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนความสุขที่เราเอาเข้ามาสู่สู่ใจที่มันรั่วพอได้มาปับ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเราจึงต้องหาอยู่เรื่อยๆหามาไม่ใช่แต่เพราะชาตินี้เท่านั้น พอตายไปความอยากหาความสุขเหล่านี้ก็ยังจะพาให้เราไปเกิดหนังกันเพราะว่าเราไม่รู้จักอุดรอยรั่วของใจสิ่งที่ทําให้ใจเรารั่วนี้เรียกว่าตัณหาความอยากพอมีความอยากแล้วจะรู้สึกว่าหิวขึ้นมาทันทีจะรู้สึกว่าขาดอะไรขึ้นมาทันทีจะรู้สึกไม่อิ่มไม่พอทันทีถ้าเรา หยุดความอยากหน้าความอิ่มความพอมันจะเกิดขึ้นมา ท, ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปหาอะไรมาทําให้เราอิ่มให้เราพอแต่ถ้าเราทําตามความอยา่างนี้ต่อให้ทํากี่ครั้งก็ตามกี่ล้านกี่แสนครั้งก็ทําทําเสร็จแล้วความอิ่มความพอก็ยังไม่เกิดความหิวความต้องการก็ยังมีโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ พอเหมือนกับเราเทน้าเข้าไปในตุ่มที่มีรอยรั่วเทเข้าไปเดียวเดียวมันก็หายไปหมดน้าก็ไหลออกมาหมดเก็บน้าไว้ไม่ได้ความสุขของใจพวกเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถเก็บความสุขที่เราไปหามาได้กันไปเที่ยวมาไปต่างประเทศมาไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไปได้อะไรมามากน้อยก็ตา่างพอเวลาได้มาก็มีความสุข แล้วเดี crochets, ๋ยวเดียวมันก็หายไปหายไปหมดจึงทำให้เราต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆซื้อรถมาใหม่ๆก็มีความสุขเดี๋ยวพอสักพักความสุขก็หายไปต้องไปซื้อคันใหม่ถึงจะมีความสุขอีกต้องซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆซื้อเสื้อผ้าใหม่อยู่เรื่อยๆซื้อกระเป๋าใหม่อยู่เรื่อยๆซื้อรองเท้าใหม่อยู่เรื่อยซื้อจนเต็มบ้านเต็มช่องมันก็ยังไม่พออยู่ดี เพราะเราไม่ไปอุดรอยรั่วของใจรอยรั่วที่ทำให้ความสุขที่เราหามาได้นี้มันหายไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาทำบุญกันการทำบุญนี้เป็นการดับรอยรอยรั่วของใจดับตัณหาความอยากต่างๆเช่นวันนี้เรามาทำบุญแทนที่เราจะไปไปเที่ยวกันไปหาความสุขกันตามความอยาก เราก็มาทำบุญแทนการทำบุญนี้ก็จะทำให้การอยากไปเที่ยวนี้มันเบาลงไปถ้าทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเรามาทำบุญต่อไปความอยากไปเที่ยวจะไม่มีจะมาอยากจะมาทำบุญและเวลาทำบุญนี้ความสุขที่เราได้จากการทำบุญมันไม่หายไปทันทีมันยังติดข้างอยู่ในใจของเราอยู่ นี่คือวิธีหนึ่งที่สำหรับจะอุดรอยรั่วแต่ยังอุดไม่ได้หมดเดี๋ยวสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากการทาบุญก็หายไปเพราะยังไม่สามารถอุดได้ร0ออร์เซอุดได้ 30% เอ์นอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะอุดเพิ่มขึ้นก็ต้องรักษาศีลเวลาอยากจะทำบาปก็อย่าไปทำเวลาอยากจะรักทรัพย์ก็อย่าไปรัก เวลาอยากจะไปประพฤติผิดประเวณีก็อย่าไปทำเวลาอยากจะฆ่าก็อยา่าฆ่าแล้วก็จะทำให้ความสุขของเรามีเพิ่มขึ้นมาความทุกข์มันน้อยลงไปความสุขก็จะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเราอยากจะให้มีความสุขติดข้างอยู่ในใจเราตลอดเวลาเราก็ต้องมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมกัน เพราะเวลาเรานั่งสมาธิใจเราสงบแล้วเราจะอุดรอยรั่วได้ทั้งหมดเลยความสุขที่เราได้มันจะจิู่ติดไปกับใจของเราไปตลอดเวลาไม่มีร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนเราสามารถหาความสุขจากทางใจของเราได้นี่คือวิธีที่เราจะมาอุดรอยรั่วกันมาทำบุญกันทำบุญนี่ต้องมีสามขั้นสามระดับ ท่านแรกเรียกว่าทำทานจาคะเสียสละแบ่งปันมีข้าวของเงินทองที่เราจะเอาไปซื้อหรือไปทำอะไรตามความอยากเราอย่าไปทำเราต้องฝืนความอยากแล้วเอาเงินนี้มาทำบุญแทนแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจมากกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวแล้วจะอยู่กับใจนานกว่า เพราะว่าเราไปอุดรอยรั่วที่มันจะทำให้ความสุขนี้มันหายไปหายช้าลงไปแล้วถ้าเรามารักษาศีลได้ก็จะอุดรอยรั่วเพิ่มได้มากขึ้นจะทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเรามานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วใช้ปัญญาต่อสู้กับความอยากได้เราก็จะอุดรอยรั่วทั้งหมดได้หมด บุญที่เราทำเราก็จะมีความสุขไปตลอดเพราะมันไม่มีรอยรั่วนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตาสาวกท่านได้อุดรอยรั่วกันใจของท่านจึงมีปรมังสุขขงังมีบรมมะสุขบรมมะสุขก็คือสุขเต็มร้อยและสุขที่ไม่มีวันพร่องไม่มีวันหมด ขณะนี้พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไป 2,500 กว่าปีแล้วแต่ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสุขเต็มร้อยเหมือนตอนที่ได้ทรงตัดสรุ้ในวันเพ็ญเดือนหกวันเพ็ญเดือนหกนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้อุดรอยรั่วของใจได้หมดเลยได้ตัดตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจใจของพระพุทธเจ้าจึงเต็มเปลี่ยมด้วยปรังสุขขัง เต็มเปลี่ยมด้วยบรมมาสุขคําว่าบรมมาสุขก็คือสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือเรื่องของบุญที่พวกเรามาทํากันในวันนี้ขอให้พวกเราพยายามทํากันให้มากๆเพราะมันเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่จะติดตามไปกับเราไม่ว่าเราจะไปอยู่พบไหนแต่ถ้าเราไม่ทําบุญนี้เราจะไม่มีบุญติดตัวไป เราก็จะไปแบบขอทานแล้วถ้าเราไปทำบาปไปทำโทษเราก็จะไปติดคุกติดตารางในอภัยแล้วถ้าเรายังตัดความอยากไม่ได้อุดบอยรั่วไม่ได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาทำตามความอยากใหม่มาหาความสุขใหม่หา อ, อีกเท่าไหร่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมยัาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจมันก็ยังรั่วอยู่อย่างนั้น เหมือนนะที่เรามีตุ่มน้ําที่มันรั่วถ้าเราไม่อุดรอยรั่วต่อให้เราใส่น้ําไปมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่สามารถเก็บน้ําได้เราก็ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเติมไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปหมดอยู่ดีนี่คือลักษณะของใจของพวกเราใจของเรามีรอยรั่วอยู่สารอยเรียกว่าการ ม, มาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นโน๊ ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้ววิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นอยากไม่จนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้แหละที่จะทำให้ใจเราไม่มีความสุขแล้วต่อให้เราทำตามความอยากมากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่สามารถเก็บความสุขที่เราหามาได้หามาได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไป ต้องออกไปหาใหม่เรื่อยๆตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาเป็นอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเป็นอยู่อย่างนี้มามากมายก่ายกองแล้วถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่รอยรั่วของใจเราเราก็ไปแก้ปัญหาผิดที่ แทนที่จะอุดรอยรั่วเรากลับไปทำรอยรั่วให้มันใหญ่ขึ้นการทำตามความอยากนี้ไม่ได้หยุดความอยากแต่กลับทำให้ความอยากมีกำลังเพิ่มมากขึ้นวิธีที่จะหยุดความอยากได้เราต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นและการที่จะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องทำด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำให้ทำบุญอยู่เรื่อยๆให้รักษาศีลอยู่เรื่อยๆ ให้นั่งสมาธิทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆแล้วให้ใช้ปัญญาให้เห็นโทษของความอยากเพื่อที่จะได้ไม่ทำตามความอยากต่อไปนี่คือเรื่องของการมาทำบุญมาสร้างบุญในวันกํรไรบุญของญาติโยมขอให้พยายามทำกันบ่อยๆทำกันให้มากๆขอให้หาเวลามาทำบุญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ เก็บบุญเก็บความสุขต่างๆที่เราได้ทําไว้ไม่ให้หายไปจากใจของเราพอใจของเราไม่มีรอยรั่วแล้วใจของเราก็จะมีบุญเต็มเต็มเปี่ยมในหัวใจมีความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปการที่เรามาเกิดก็เพราะว่าเรายังต้องการความสุขอยู่ใจของเรายังมีความสุขไม่มากพอ ก็เลยต้องมาเกิบใหม่แต่ต่อให้หาความสุขได้มากน้อยเพียงไรมันก็จะหายไปหมดเพราะรอยรั่วสามรอยไม่ได้มีการอุดไว้ดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาความสุขที่เราหามาได้เราต้องมาอุดรอยรั่วกันเราต้องหยุดทำตามความอยากกันแล้วเราก็จะได้มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันกำไรบุญนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะที่ถาวรที่จะอยู่กับใจของเราที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลา